อย่าเป็นนึกเอาเองนะโซดาบันโสดาบัลที่นั่งขาดสติบุกไปแล้วตื่นขึ้นมาแล้วบอกได้โสดาเนี่ยไม่ไม่ได้เรื่องเรากนะพวกนี้เหลวไหลถ้าเราภาวนาไปแล้วเรารู้สึกว่าเราได้โสดาแล้วนะมีวิธีนะมีวิธีการคือเผลอๆบ้างเวลาเผลอๆแล้วสังเกตดูมันมีความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนแฝงเข้ามาไหมนะมันจะมีถ้าสังเกตดีๆมันจะมีขึ้นมา แต่ถ้าเป็นโสดาแล้วคอยจ้องไหนๆตัวเราตัวเราอยู่ไหนจ้องอย่างนี้มันก็ไม่มีให้ดูหรอกเจะถูกมันหลอกเพน้นถ้าคิดว่าได้ธรรมะแล้วนะจะต้องวัดกิเลสของตัวเองให้ได้วิธีจะวัดกิเลสก็คือต้องใช้จิตใจที่อยู่ในภาวะปกติถ้าจิตที่ทรงสมาธิอยู่เหรือจิตทรงฌานอยู่เนี้ยนะถ้าจิตมันเข้าไปทรงทรงอย่างเนี้ยดูลงมามันจะว่างหมดเลยแล้วก็บอกว่าเราไม่มีกิเลสแล้วไม่มีตัวตนมันจะมีได้ไง นะเพ่งอยู่เพ่งจิตอยู่เฉยๆยงั้นมันก็ไม่มีอะไรเพราะนั้นเวลาที่เราจะวัดความสำเร็จของการปฏิบัติเนี่ยเราต้องวัดทีเผลอวัดตอนเผลอๆนี่ตอนกำลังโมโหเนี่ยนะกำลังกูอย่างนี้หรอวะคำว่ากูขึ้นมาเนี่ยมันจะมีความรู้สึกมีกูจริงๆนะแต่ถ้าเขาไม่โมโหนะบางทีครูบาอาจารย์ก็ช่วยให้โมโหนะมีเหมือนกันบางคนนึกว่าได้ธรรมะ บอกดิฉันไม่มีความโกรธแล้วนี่ระดับพระอนาคาเลยดิฉันไม่มีความโกรธแล้วท่านสวนเลยอีต่อแหลเ <c oughs> ท่า น, นั้นนะตบพื้นเปลี่ยงลุกเลยพระปากจัดอย่างนี้ไม่นับถืออีกแล้วเดินโป้งๆอ อ, อ, ออกไปออกไปนอกวันแล้วนึกได้ว่าไอ้นี่โกรธนะท่านใช้วิธีนี้เหมือนกันนะบางทีท่านด่าหลวงปูด่ดนลย์ก็เคยมีพระองค์หนึ่งท่านคิดว่าท่านเป็นพระอราหันต์แก้ไงเกาแก้ไม่ตกแก้อยู่หลายวันนะสุดท้ายหลวงปู่ดูลใช้ไม้ตาย ไอสัตว์นรกไปพ้นสัตว์นรกอุ้ยพระอราหันต์นะโกรธขึ้นมาเลยะคว้าได้ไม่กวาดนะขึ้นพลาดบ่านึกว่าเป็นโกรธนะเดินออกไปจากวัด น, นะเดินไปสามกิโลนะแล้วนึกได้ว่าโกรธขึ้มานะสายแล้วไม่ใช่พระอราหันต์นะแล้วก็เข้าไปหาหลวงปู่โชตลูกศิษย์หลวงปู่ดูลผู้ใหญ่เ อ, องแล้วก็พากันมาขอขมาท่านไม่กล้ามาคนเดียวมั่ง เราปูไม่ว่าอะไรหรอกนะที่จริงก็คือภาวนาแล้วมันพลาดเพราะฉะั้นเวลาถ้าเราภาวนานะเราเรารู้สึกว่าเจ๋งแน่เราว่ารอบนี้ใช้สังเกตเอานะพยายามสังเกตตัวเองหลวงพ่อนั้นไม่ค่อยอยากบอกหรอกบางทีบอกให้แก้ให้นะโกรธเราก็มีนะมีพระบางองค์เนี่ยโอยมารูุ้โสดามาแล้วผมได้โสดาแล้วคนโน้นรับรองคนนี้รับรองหลวงพ่อจะว่ายังไง หลวงพ่อรับรองไม่ได้หรอกหลวงพ่อไม่ใช่พระพุทธเจา้าท่านไปดูสิว่ามีตัวมีตนไหมไม่มีผมดูมาตั้งนานแล้วไม่มีหูตาเนี่ยอย่างนี้เลยนะเราโอ้น่ากลัวเว้ยนะเออท่านท่านท่านว่าไม่มีแต่ผมว่ามันน่าจะมีนะเขานั้นน่าโกรธเลยอย่างนี้ก็มีนะเพราะฉะนั้นช่วยตัวเองให้มากหน่อยจะได้ลดความเสี่ยงที่จะโกรดหลวงพ่อ นะสังเกตเอาใช้ความสังเกตเอาอะไรอะไสู้สังเกตไม่ได้อย่าไปเข้าข้างตัวเองหลวงพ่อก็เห็นใจนะเราภาวนาเราก็อยากได้มรรคผลทุกคนเลยใช่ไหมถ้าไม่คิดว่ามรรคผลมีจริงภาวนาหาสวรรค์วิมานเลยก็ถูกนะภาวนาะเอาสวรรค์เอาวิมานนะ <c oughs> ก็ไม่ได้มรรคผลนี่เราก็คิดว่ามรรคผลนิพพานมันมีเราก็อยากจะได้อยากจะได้มันก็มีการลุ้นใช่ไหมมีการลุ้นบางที่นะพวกเราระมั่นระวังนิดนึ่งบางที่เข้าไปนะ ไปภาวนากับเขาเนาะอาทิตย์เดียวเขาก็ให้โสดาแล้วไปถือได้สองอาทิตย์นั่นก็ได้สกทาขาเลื่อนให้ด้วยเด้ยนะพอเป็นพระรหันต์แล้ววันหลังกิเลสเกิดนั้นลดลงมาเป็นโสดาใหม่นะอย่างเนี้ยโอ้โหเราก็จะปลื้มมีเงินมีทองก็ตูนหัวให้เขานะแล้วเราปลื้มแล้วเราได้เป็นพระอริยะต้องไม่เห็นแก่ตัวละมีเงินเราเอาไปให้อาจารย์ให้หมดเลยอย่าไปเชื่อง่าย ให้สังเกตใจตัวเองวัดใจตัวเองวินยูชนต้องรู้ด้วยตัวเองนะสังเกตเอาวิธีสังเกตจิตใจว่ามีกิเลสหรือไม่เนี่ยให้สังเกตจิตใจในภาวะปกติในภาวะของคนธรรมดานี้อย่าไปทําใจว่างๆนิ่งๆอยู่แล้วไปดูนะจะไม่มีกิเลสเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้สอนนะตั้งแต่เบสิกเลยใช่ไหมให้ทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งไปดูเอาเองว่าเราเหมาะกับกรรมฐานอะไรแต่ทําให้ถูกหลัก ถ้าทำแล้วรู้ทันจิตที่เคลื่อนก็ได้สมาธิที่จะใช้เดินปัญญาเรียกได้รักขันโงพนิชฌานแล้วก็จะแยกรูปนามออกมานะเห็นรูปประธรรมเห็นนามมาทำทำงานไปไม่เชี่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาใช้ได้เหมือนกันหมด น, นี่พอภาวนาไปช่วงหนึ่งแล้วก็รู้สึกบรรลุแล้วก็มาทดสอบตัวเองหลวงพ่อเคยทดสอบถึงขนาดเนะี่ยตอนนั้นนึกว่าได้พรนะอนาคาตอนเป็นโยมนะขนาดเป็นโยมยังคิดว่าพระอนาคาวะ ไปยืมหนังสือโปของเพื่อนมาอา่านถ้ายุคนี้เขาว่าในอินเทอร์เน็ตก็มีใช่ไหมบอกไม่ต้องไปยืมนี่สมัยนั้นไม่มีหรอกอินเทอร์เนะ็ตนะคอมพิวเตอร์ยังไม่มีเลยเพื่อนคนเนี้ยมันมีหนังสือโปมากมันชวนหลวงพ่อดูมนานานหลวงพ่อไม่ดูเข้าแต่วัดนะวันนั้นเราก็ไปยืมมันมันน่ดีใจมากเลยปลื้มปิติโอ้โหมันก็พวกเดียวกันละว่ะในที่สุดตะบะแตกแล้วะไปยืมมานั่งดูเอามาดูที่บ้านนะเฉยใจนี่เฉยเลย ไปคืนขอเล่มใหม่มาดูอีกมันนับลื้มมากเลยมีเป็นตู้เลยสุดท้ายดูอยู่อาทิตย์หนึ่งนะใจมันก็เพิ่มขึ้นมาผู้หญิงคนนี้สวยใจก็เพิ่มขึ้นมาใจก็เพิ่มปุ๊ดีใจนะไม่ใช่จริงจริงไม่ใช่เนี่ยทดสอบนะอ่วิธีทดสอบของหลวงพ่อนะโหดมากเลยนะเพราะเราอยู่ห่างครูบาอาจารย์เราต้องสังเกตกิเลสตัวเองเราไปส่งกันบ้านหลวงพุเทศนะท่านก็ชมเลยนะว่าดี ฉลาดท่านหัวเราะหลวงพุทธเศหัวเราะหวลวงปุดุลไปส่งอีกทีหนึ่งหลวงปูดุลไม่เคยหัวเราะหลวงปูดุลท่านจะหน้าตาเฉยๆนานๆจะหัวเราะทีหนึ่งนะแต่ว่าไปเล่าให้ท่านฟังแล้วดีแล้วที่ไม่เชื่อมันจะตายหลวงปุดุลจะอย่างนั้นไม่มีโอโลมปฏิโลมไม่มีนะมีแต่ฟันเปรี้ยงเปรียปร้ยงเลยนะถ้าหลวงพุทธเศเนี่ยจะค่อยๆประหนี่ค่อยๆไ อ, อ, อนะไรบางคนได้ชอบไปนั่งตาลอยใส่ท่านแนละปลื้ม เมื่อคืนไปตาลอยใส่ลงปูดูนคงท่านคงเดินหนีไปะท่านไม่เอางั้นเวลาเราวัดกิเลสนะวัดตอนที่ใจเป็นปกติวัดตอนที่ใจเราธรรมดาธรรมดายาไปมานยาว่างๆอยู่แล้วไปดูกิเลสไม่มีให้ดูหรอกเ้าคิดว่าบรรลุมรรคผลชันนั้นชั้นนี้นะอาอันนี้เทศแค่นี้ก็พอแล้วนะเทศตั้งแต่ต้นจนถึงมรรคผลแล้วนี่นะจะเอาถึงนิพพานไหม <c oughs> เอาให้ได้มรรคผลก่อนแล้วนิพพานก็ว่ากันทีหลังนะ นิพพานนะโสดาก็ไม่แจ้งนะไม่แจ้งพนิพพานสักขาคาพระนาคาก็ยังไม่แจมแจ้งหรอกนะแล้วพอนหนากัน น, น้นครูบาอาจารย์ก็สอนมานะเอาไว้พวกเราได้เยอะๆเราเดี๋ยวจะค่อยบอกนะ